จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุอบาสิกาผู้ใ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบัอ็กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 3เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเนื่องจากเป็นวันพระวันธรรมสวัสดวันฝังธรรม วันสร้างบุญสร้างบุศสที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอนประเสริญได้ทรงบัญญัติได้ทรงกำหนดไว้ให้พุทธบรตรสัตว์ทั้งหลายได้ปล่อยวางภารกิจการงานอื่นๆเพื่อมาทำภารกิจทางด้านศาสนาเพราะเป็นการดูแล รักษาธรรมนุบำรุงจิตใจให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความอิ่มเอิบมีความพอเพราะบุญกุศลที่พระบ ร, รมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญ น, นั้นเปรียบเหมือนอาหารเปรียบเหมือนปจัจจัยสี่ของจิตใจ ร่างกายเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ฉันใดใจของเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ฉันนั้นเพราะถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็อยู่ไม่เป็นปกติสุขจิตใจที่ขาดบุญขาดกุศลก็จะอยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นปกติเช่นเดียวกัน จากนั้นเราจึงต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายเราก็มีเวลาถึงหวันด้วยกันในหนงอาทิตที่จะดูแลเราไปทำมาหากินหาเงินหาทองก็เพื่อที่มาดูแลร่างกายเราเป็นหลักนี่เองเพราะถ้าไม่มีร่างกายหรือร่างกายของเราจิตไข้ได้ป่วยเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเราจึงต้องใช้เวลา ในการทำมาหากินเพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลรักษาใจเราเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจของเราใจของเราก็จะมีความทุกข์ทรมานมีความวุ่นวายมีความว่าวุ่นขุนมัวมีความกุ้ม อ, อกกุ่มใจมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ใจจะต้องสัมผัสรับรู้แต่ถ้าใจได้รับการดูแลด้วยบุญกุศลแล้วความรู้สึกต่างๆเรานี่จะมีน้อยลงไปหรือหมดไปเลยถ้าเราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้อย่างเต็มที่เช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สร้างบุญ อยากเต็มที่ภายในใจของท่านใจของท่านจึงไม่มีความทุกข์ทรมารไม่มีความว้าวุ่นขุ่นัวไม่มีความลุ่ม อ, อกรุ่มใจเศร้าโศกเสียใจหรือหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะมีใจของเราเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันพัดพาจากเราไปได้เลยสิ่งอื่นทั้งหลายนั้นเราจะต้องพัดพาจากเขาไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้ มีใจเท่านั้นที่ไปกับเราแล้วใจของเราจะไปสุขหรือจะไปทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเรามีบุญหรือมีบาปถ้าเรามีบุญเราสะสมบุญเราสร้างบุญไว้เราก็จะไปกับความสุขใจก็จะไปใจก็จะมีความสุขใจก็เป็นเหมือนม้าที่เราขี่ถ้าเราเลี้ยงม้าให้ดีให้อาหารเขา ให้อยู่ให้ยาดูแลรักษาเขาให้ดีเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะพาเราไปสู่สถานที่ที่ให้เรามีความสุขแต่ถ้าใจของเรามีความทุกข์เราก็จะไปกับความทุกข์ไปในสถานที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขดังนั้นในอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนี้เราควรจะมีวันพระสําหรับตัวเราสักหนึ่งวัน ซึ่งในสมัยนี้อาจจะไม่สามารถจะมีวันพระตามปฏิทินของของศาสนาได้เพราะชีวิตของเราในสมัยปัจจุบันนี้เรามีวันหยุดไม่ตรงกับวันพระเสมอไปเรามีวันหยุดตะคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนวันพระนี้จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พอดีวันนี้เป็นวันพระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แต่ต่อไปก็จะเลื่อนไปคราวหน้าก็จะเป็นวันจันทร์ต่อไปก็จะเป็นวันอังคารเพราะปฏิทินของจันทรคติกับสุริยคตินี้ไม่ตรงกันดังนั้นถ้าเราไม่สามารถมีวันพระตามปฏิทินจันทรคติได้ เราก็ควรจะมีวันพระตามวันหยุดของเราเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราไม่ต้องไปทำงานเราก็กาหนดวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะปล่อยวางภรารกิจทางโลกแล้วมาทำภรารกิจทางศาสนาคือมาสร้างบุญสร้างกุศล ม, มาสร้างปัจจัยศีให้กับใจของเรา เพื่อใจของเราจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปนี่คือหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าเราอยากจะได้ความเจริญที่แท้จริงเราต้องสร้างบุญกันเราต้องทำบุญกันเพราะบุญนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้ใจ ของเรามีความสุขได้เพราะควาว่าบุญนี้ก็แปลว่าความสุขใจนี้เองบุญนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำการกระทำบุญนี้เป็นเหตุส่วนผลที่เราได้รับก็คือความสุขใจดังนั้นเราขอให้เราทําเหตุที่จะทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมา การกระทำที่จะทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมานี้ก็มีหลากหลายด้วยกันมีถึงสิวิธีด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นทำกันแล้วก็ต้องทำให้ได้มากคือให้ได้เท่าที่เราจะทำได้อย่าทำแต่บุญอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่พอเพียง เหมือนกับการรับประทานอาหารอย่ารับประทานเพียงแต่ข้าวเปล่าอย่างเดียวเราต้องมีรับประทานกับข้าวรับประทานผลไม้รับประทานขนมนมเนยเพื่อร่างกายจะได้อาหารครบทุกหมู่ครบตามที่ร่างกายต้องการใจของเราก็ต้องการดุนหลายชนิดด้วยกันไม่ใช่เพียงแต่ บุญที่เกิดจากการให้ที่เรียกว่าทานเท่านั้นวันนี้ญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหานต่างๆมาถวายพระเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้จะให้ใครก็เป็นทานเหมือนกันคือให้พระก็เป็นทานให้คารวะญาติโยงก็แปลว่าทานเพราะเป็นการให้ แต่ผลที่ได้รับจากการให้ทานนี้ก็เป็นบุญคือความสุขใจให้พระก็ได้บุญให้คราบาศก็ได้ก็ได้บุญให้เดรัจฉานก็ได้บุญเพราะบุญนี้แปลว่าความสุขใจข้อสําคัญเราต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทนถ้าให้เพื่อหวังผลตอบแทนนี้เป็นกิเล เป็นความโลภอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญแต่เป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนเรายื่นหมูยื่นแมวให้ต่อกันละกันเราให้หมูเขาเขาก็ให้แมวเราอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นทานเรียกว่าเป็นการค้าถ้าเป็นทานเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขใจเกิดบุญขึ้นมาต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับแม้แต่คำว่าขอบคุณก็จะไม่หวังแต่ไม่ปฏิเสธถ้าเขาจะกรอบอกขอบใจหรือเขาจะมีความสำนึกในบุญคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของผู้ให้นี้จะต้องไม่หวังผลตอบแทนถ้าอยากจะทำบุญแต่ถ้าหวังผลตอบแทนก็ทำได้แต่มันจะไม่เป็นบุญมันจะไม่เป็นความสุขใจ เหมือนกับเราเวลาเราไปซื้อของตามร้านเราก็ให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาอย่างนี้เราไม่ได้เกิดความสุขใจจากการให้ของเขาไปให้เงินเขาไปแต่ถ้าเราให้เงินเขาแล้วเราไม่ต้องการของจากเขาเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเราได้ช่วยเหลือเขา เช่นเขาเดือนร้อนไม่มีอาหารรับประทานเราซื้ออาหารหรือให้เงินเขาไปซื้ออาหารรับประทานเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นทานการทำบุญนี้เราต้องคำนึงเสมอว่าเราไม่หวังผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นแต่การทำบุญนี้มีผลตอบแทนของมันอยู่ภายในตัว เบื้องต้นก็ทําให้ใจของเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจและในอนาคตสิ่งที่เราให้ไปนั้นก็จะกลับมาหาเราหลายร้อยเท่าให้ไปหนึ่งเราจะได้กลับมาหลายร้อยเท่าเหมือนกับเวลาที่เราปลูกข้าวเราปลูกข้าวเพียงเม็ดเดียวแต่เราจะได้มะลดข้าวกลับมามากกว่าหนึ่งหนึ่งเม็ด พอข้าวต้นหนึ่งนี้จะออกรวมข้าวหลายเม็ดด้วยกันฉะนั้นการทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการปลูกข้าวเราทำให้เขาไปหนึ่งส่วนแล้วเวลาถึงผลถึงเวลาที่ผลของบุญจะออกดอกออกผลเราก็จะได้หลายเท่าของบุญที่เราให้เขาไปของสิ่งของที่เราให้เขาไปอันนี้จะเกิดขึ้นภายในอนาคต จะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นตามอำนาจของเหตุที่เราทำเอาไว้แต่ข้อสำคัญใจของเราอย่าไปหวังเท่านั้นอย่าไปอยากได้เท่านั้นเพราะมันจะลบล้างผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันคือความสุขใจความอิ่มใจพอเราให้แล้วเราหวังผลตอบแทน พอเราไม่ได้เราก็จะเกิดความผิดหวังเกิดความเสียใจขึ้นมาแทนที่แทนที่จะได้รับความสุขเรากลับได้รับความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราทาบุญไม่ถูกวิธีนั่นเองดังนั้นการทำบุญต้องทำให้ถูกวิธีไม่เช่นั้นแล้วเราจะเกิดความผิดหวังได้เกิดความท้อแท้ได้ทำแล้วไม่ได้ผลสักที เช่นบางคนคิดว่าทำแล้วชีวิตจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าจะร่ำรวยจะปลอดภัยแต่กลับไม่ร่ำรวยไม่ปลอดภัยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเคยทำบาปมาเราเคยทำเหตุที่ไม่ดีมาแล้วพอดีเป็นวาระของเขาที่จะแสดงผลในขณะที่เราทำบุญในวันนี้แต่เรากลับต้องปร ะ, ประสบพราะ เพราะกรรมต่างๆก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลของบาปกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตนั่นเองเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เราถึงจะไม่มีความท้อแท้ในการที่จะทำบุญเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งผลของบุญที่เราทำในวันนี้ก็จะต้องส่งผลอย่างแน่นอนเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในวันนี้ เราไม่ได้หวังให้ต้นไม้ออกดอกออกผลให้เราทันทีในวันนี้เราต้องรอไปก่อนเราต้องคอยทำนุบำรุงต้นไม้คอยลดน้ำพลวนดินใส่ปุ๋ยคอยกําจัดวัชพืชต่ตางๆแล้วสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขาก็จะออกดอกออกผลให้กับเราการทำบุญก็เช่นเดียวกัน ขอให้เราใจเย็นเนอย่าหวังผลทันทีทันใดผลที่ได้ทันทีทันใดก็คือความสุขใจอันนี้ได้ทันทีอย่างวันนี้ญาติโยมก็มีความสุขใจแล้วที่ได้มาทำบุญให้ทานกับพระภิกษุสงฆ์ถ้าญาติโยมไม่หวังผลตอบแทนจากการให้ในวันนี้ mm hmm. ก็จะมีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจ ดังนั้นขอให้พยายามทําบุญชนิดต่างๆนอกจากการให้ทานแล้วเราก็ยังต้องทําบุญชนิดอื่นด้วยบุญชนิดที่สองเรียกว่าศีลศีลก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดงดเตเทนนี่คือศีล และไม่เสพสุรายามเมาเพราะเมื่อเสพสุรายามเมาแล้วก็จะเกิดการขาดสติก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้เราต้องรักษาศีลพยายามรักษาศีลให้ได้เพราะจะทําให้ใจเรามีความสุขเวลาเราทําผิดศีลแล้วใจของเราจะไม่สบายใจจะมีความ กังวลใจกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษหรือกลัวผลของบาปที่ทำไว้จะส่งผลให้กับตัวเราถ้าเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลได้เราจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวจะไม่มีความรู้สึกกังวลใจนี่คือผลที่เราจะได้รับในปัจจุบัน ส่วนผลที่เราจะได้รับในอนาคตก็คือจะเราจะไม่ต้องไปใช้ใช้นี่นั่นเองไม่ต้องไปใช้นี่ในอบายสมมุติเราตายไปแล้วถ้าเราไม่เคยทำบาปเลยเราก็ไม่ต้องไปใช้นี่ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกเนะพราะเราไม่มีนี่ที่จะต้องใช้นั่นเองเราก็จะไปรับ ผลบุญของเราทันทีจะไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์และเมื่อเราได้ใช้บุญหมดแล้วเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินที่ดีกว่าเดิมเป็นต้นนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลและทําบุญให้ทาน ถ้าเราไม่รักษาศีลเราตายไปเราก็ต้องไปใช้หนี้ก่อนไ ป, ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างจนกว่าจะหมดกรรมหมดใช้กรรมหมดใช้หนี้หมดเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิม โดยจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยงามเหมือนเดิมจะมีอาการไม่ครบ32จะมีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะมีอายุที่ไม่ยืนยาวนานจะมีฐานะการเงินที่ไม่ดีเพราะนี่เป็นเชื้อของบาปที่ยังหลงเหลือติดอยู่ภายในใจอยู่จะส่งผลให้เราเกิดมา ไม่ดีเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ด้ยกว่าเดิมดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของการรักษาศีลถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นผลอนิสงส์คือเราไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรบ้างขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก็แล้วกันเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่โกหกใครรับรองได้ คำสอนคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกคําพูดนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นตรงกับหลักความจริงเป็นสวาขาโตภะกวตาธรมโมไม่ผิดจากความจริงไปเลยขอ<ม>ให้เราเชื่อได้ถ้าไม่เชื่อก็ให้เราคิดดูกันละกันว่าทำไมพวกเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันทำไมจึงไม่สวยงามเหมือนกันทำไมจึงไม่ร่ำรวยเหมือนกัน ทำไมจึงไม่มีอายุยืนยาวเท่ากันทำไมไม่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันเนื่อก็เป็นเพราะบุญเพราะกรรมที่เราได้ทำมาในอดีตนั้นมีไม่เท่ากันนั่นเองจึงทำให้พวกเรานี้มีฐานะไม่เท่าเทียมกันมีสูงมีต่ำมีสุขมีทุกข์ไม่เท่าเทียมกันนี่เป็นผลที่เกิดจากการ ทำบุญทำบาปให้ทานหรือรักษาศีนี่เองจึงขอให้พวกเราจงพยายามให้ทานให้มากๆแล้วรักษาสีให้บริสุทธิ์แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นไปตามลําดับแล้วถ้าเราเบื่อต่อการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้จะมาเกิดดีขนาดไหนก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตาย แล้วก็จะต้องพัดพราจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพัดพราจากคนที่เรารักถ้าเราไม่อยากจะพบกับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทาบุญชนิดที่สานั่นก็คือการภาวนาภาวนานี้เป็นบุญที่จะทำให้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุ ที่จะพาให้ใจไปเกิดไปเวียนว่ายทายเกิดใหม่ความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงของรถยนต์ตราบใดที่รถยนต์ยังมีเชื้อเพลิงอยู่ยังมีน้ํามันอยู่รถก็ยังวิ่งไปไหนมาได้ได้อยู่แต่ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงแล้วไม่มีน้ํามันแล้วรถก็วิ่งไปไหนไม่ได้ฉันใดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังมีเชื่อยังมีของภพชาติคือความโลภความโกรธความหลงอยู่มันก็ยังต้องไปเกิดใหม่อีกจะอยากหรือไม่อยากไปเกิดก็ตามถ้ายังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ยังต้องไปเกิดใหม่อีกต้องไปใช้บุญใช้กรรมอีกแต่ถ้าไม่อยากที่จะไปเกิดใหม่อีกก็ต้องภาวนา ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปให้ได้เพราะไม่มีอย่างอื่นที่จะชำระได้ทานก็ชำระให้ความโลภความโกรธความหลงหมดไปไม่ได้ศีลก็ชำระไม่ได้ต้องมีภาวนาเท่านั้นที่จะชำระได้อย่างสะอาดหมดจดทำจิตใจให้บรรสุ์ผุดพองขึ้นมาเป็นจุดเป็นจิตของพระพุทธเจ้า เป็นจิตของพระอาารันขึ้นมาต้องมีต้องอาศัยการภาวนาการภาวนาก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี้ก็คือการฉีดยาสลบให้กับกิเลสนี่เอง ก่อนที่เราจะฆ่ากิเลสได้เราต้องจับมามัดมันไว้ให้มันสงบให้มันนิ่งก่อนเราถึงจะฆ่ามันได้ถ้ามันไม่นิ่งมันวิ่งไปวิ่งมาเราจะฆ่ามันไม่ได้เราต้องจับมันมามัดมันเอาไว้ก่อนให้ยาสลบมันก่อนให้มันนิ่งพอมันนิ่งแล้วเราก็เอามีดมาฟันมาแทงมาฆ่ามันได้ ขั้นแรกเราจึงต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจที่สงบความโลภความโกรธความหลงก็สงบลงไปด้วยไม่สามารถทำงานได้พอมันนิ่งมันสงบแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้ด้วยมี่ก็คือวิปัสสนาหรือปัญญานี่เองพอจิตสงบแล้วเราก็พักอยู่ในนั้นก่อน ปล่อยให้จิตให้สงบให้พอให้เต็มที่ให้ฉีดยาสลบให้กับความโลภความโกรธความหลงให้เต็มที่พอจิตพักพอแล้วมีกำลังแล้วทีนี้พอจิตถอนออกมาจิตก็เริ่มคิดเริ่มปรุงพอเริ่มคิดเริ่มปรุงกิเลสก็จะเริ่มออกฟื้นขึ้นมาแต่ตอนที่ตอนที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ๆมันยังไม่มีกำลังมาก มันยังวิ่งไม่ได้เร็วตอนนั้นเราก็ใช้วิปัสสนานี้มากำจัดมันได้เช่นคนที่เพิ่งออกจากยาสลบนี้ยังไม่มีกำลังที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่เราจะใช้ปัญญาฆ่ามันได้พอจิตเริ่มคิดเริ่มเกิดความโลภขึ้นมาเราก็จะตัดมันได้ด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญา คือเราต้องสอนจิตให้รู้ว่าสิ่งที่กิเลสอยากได้อยากมีนั้นมันไม่มีมันไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่อาหารแต่มันเป็นยาพิษไม่ว่าจะเป็นลาบก็ดียศก็ดีสารเสริญก็ดีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มันเป็นความสุขแบบยาขมเคลือบน้ำตาลมันหวานเพียงนิดเดียวเวลาอมอยู่ในปากใหม่ๆมันก็รู้สึกหวานดีแต่พอไม่นานพอน้ำตาลที่เคลือบนั้นละลายไปหมดก็จะเหลือแต่ความขมขื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ก็จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นความสุขในตอนต้นแล้วก็จะเป็นความทุกข์ ในตอนปลายและหลังจากที่ได้ความสุขมาหลังจากที่ความสุขนั้นหายไปแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์เช่นชีวิตของคู่ครองเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราก็อยากจะมีคู่ครองเพราะเราคิดว่ามีคู่ครองแล้วเราจะมีความสุขเวลาเราได้คู่ครองมาใหม่ เราก็มีความสุขดีอกดีใจแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันจะเกิดการขัดใจกันเกิดความกโกรธกันนี่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าไม่เกิดความกโรรกรธเกลียดหรือทะเลาะวิวาทกันก็จะเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยคอยกังวลว่า เขาอยู่ที่ไหนเขาปลอดภัยหรือเปล่าเขาจะกลับมาหาเราหรือเปล่านี่ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเขาตายไปก็ยิ่งจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกหลายเท่าด้วยกันถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจเรียกว่าวิปัสสนา ปัญญาต้องสอนใจให้เห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในความสุขเล็กๆน้อยๆให้เห็นยาขมที่ถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้ถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะดับความโลภดับความอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นในโลกนี้ต้องเป็นทุกข์ให้กับใจเราเสมอเพราะเราได้อะไรมาแล้วเราจะมีความยึดติด มีความผูกพันมีความอยากให้เขาดีอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไปตลอดนั่นเองเวลาได้อะไรมาใหม่ ๆ, ๆมันก็ดีซื้อรถมาใหม่ๆมันก็ดีแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มมีปัญหาตามมาส่วนนั้นก็เสียส่วนนี้ก็เสีย ต้องเอาไปซ่อมนะก็สร้างความปวดหัวขึ้นมาได้จะใช้รถก็ไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือจอดทิ้งเอาไว้ถูกเขาขโมยไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือใครมาแกล้งเอาตะปูมาขีดสีรถหรือมาทุบ ก, กระจกอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วนะถ้าไม่มีรถเราก็จะไม่มีความทุกข์กับ รถยนต์ไม่มีอะไรก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งนั้นๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ท่านถึงเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังก็คือมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่คงเส้นคงวามันไม่เหมือนเดิมไปตลอดมันต้องเปลี่ยนไปตามเวลามันเป็นอนัตตาก็เพราะว่า เราไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เราต้องปล่อยวางเท่านั้นถ้าเราอยากจะมีอะไรเราต้องพร้อมที่จะให้เขาเปลี่ยนไปพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปเราถึงจะไม่มีความทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมา จะมีอะไรก็มีได้แต่ต้องปล่อยวางเท่านั้นเองต้องพร้อมที่จะจากกันเสมอเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีมันก็ยิ่งสบายใหญ่เพราะไม่ต้องมาดูแลรักษาไม่ต้องคอยมาหวงคอยห่วงกันนี่คือการใช้วิปัสสนาหรือปัญญาเพื่อตัดความโลภได้อย่างถาวร เพราะเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากได้เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์ใจและเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธก็เกิดจากความที่เราไม่ได้อะไรดังใจนั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธคนที่เขามาขัดใจเราทันที แต่ถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่โกรธใครเพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้เราโกรธนั่นเองและการที่เราไม่โลภไม่โกรธได้ก็เพราะเราไม่หลงความหลงนี่ก็เกิดจากความไม่รู้จริงการไม่มีปัญญาการไม่มีวิปัสสนาการไม่เห็นไตรลักษณ์นี่เองไม่เห็นว่าไม่เที่ยงไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ไม่เห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้าเราเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้แม้แต่ร่างกายของเราเราก็จะปล่อยวางได้เพราะเราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องทุกทรมานใจ ถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานใจก็ต้องปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วก็สบายใจเวลาอยู่ก็ไม่กังวลกับความตายเวลาตายก็ไม่กังวลจะเป็นจะตายนี้ไม่เดือดร้อนเพราะใจเราได้แยกออกจากร่างกายแล้วเรามองร่างกายของเรานี้เหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตาย เราไม่ทุกข์เราไม่วุ่นวายใจอย่างไรร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนกันเราได้มาจากพ่อจากแม่เวลาที่แม่ตั้งท้องอยู่ในท้องใจคือดวงวิญญาณของเราก็มาครอบครองเป็นเจ้าของแล้วด้วยอำนาจของความหลงก็ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมา ท, าทันทีทั้งเที่ยงที่มันเป็นของพ่อของแม่สร้างขึ้นมาให้กับเรา แต่เราไม่มีวิปัสสนาเราจึงไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็เลยยึดติดกับร่างกายพอร่างกายนี้เป็นอะไรขึ้นมาเราก็ว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีวิปัสสนาเราจะตัดความว้าวุ่นขุ่นมัวความทุกข์ความกังวลใจได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็าตาม ของเราก็ดีของพ่อของแม่ก็ดีของพี่ของน้องก็ดีของสามีของภรรยาก็ดีของลูกก็ดีเราจะปล่อยวางได้เพราะเรารู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวของเขาไม่ตัวของเขาไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเสื้อผ้าของเขาเท่านั้นเองเหมือนกับเราไม่วิตกกับเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าของเราขาดเราก็ทิ้งไป เราก็หาชุดใหม่มาใส่ได้ฉันใดร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังหาร่างกายอันใหม่ได้เราสร้างบุญไว้มากๆเราก็จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเราไม่อยากจะได้ร่างกายเราก็ต้องกำจัดความโลภความอยากได้ร่างกายให้หมดไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือการสร้างบุญที่สูงสุด ก็คือการภาวนาบุญที่ลองลงมาก็คือศีลและลองลงมาก็คือทานแต่ก็ต้องทำทั้งสามเพราะเป็นเหมือนกับการขึ้นบันไดเราจะขึ้นบันไดขั้นที่สามเลยไม่ได้เราต้องขึ้นขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยขึ้นขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลาดับเพราะขั้นที่หนึ่งจะง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองจะง่ายกว่าขั้นที่สาม แต่พอเราขึ้นถึงขั้นที่หนึ่งได้แล้วขึ้นขั้นที่สองก็จะง่ายพอขึ้นขั้นที่สองได้แล้วขั้นที่สามก็จะง่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราจะขึ้นจากขั้นศูนย์ไปสู่ขั้นที่สามเลยนี้จะยากจะทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องให้ทานก่อนให้ทานได้แล้วก็รักษาศีล ร, รักษาศีลได้แล้วก็ภาวนาเมื่อภาวนาแล้วเราก็จะ ทำให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ทำให้จิตใจของเรามีแต่ปรมังสุขขังมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนและเป็นความสุขที่ถาวรได้เกิดจากการภาวนานี้เท่านั้นจึงขอให้เราพยายามทำบุญชนิดต่างๆเหล่านี้ วันนี้ก็มีเวลาเพมยง3ามชนิดก็คือทานศีลภาวนาความจริงยังมีจากมากกว่า น, นั้นอีกการฟังธรรมก็เป็นบุญเช่นเดียวกันการกวดน้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นบุญการอนุโมทนาบุญคือร่วมทาบุญกับผู้อื่นก็เป็นบุญการการเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนก็เป็นบุญ การรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญแต่บุญเหล่านี้ไม่สำคัญเท่ากับบุญคือทานศีลและภาวนาจึงขอให้เราพยายามทำบุญหลักนี้ไว้ส่วนบุญอื่นๆก็ทำไปตามวาระเช่นวันนี้พอเราทำบุญแล้วเดี๋ยวเราก็กวานน้ำอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเวลาผู้อื่นเขาจะทำบุญเราก็ร่วมทำบุญกับเขาไปร่วมอนุโมทนาบุญ แล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความสบายมีความเจริญก้าวหน้าจึงขอฝากเรื่องของการทำบุญทั้งสิ ป, ประการนี้โดยเฉพาะเรื่องทานศีลภาวนาให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา